ข้อความที่น่าสนใจบางตอนในหนังสือโลกทิพย์ภาคสามแม้ศรัทธาจะเป็นคุณธรรมที่สำคัญประการหนึ่งก็ตามแต่ปัญญาก็เป็นปัจจัยที่จะขาดเสียไม่ได้เพื่อมิให้ผู้มีศรัทธาอย่างเดียวต้องหลงทาง 2. กายทิพย์นั้นๆได้ถูกผูกติดอยู่กับกายเนื้อมาเส้นานจนเคยชิน และในระหว่างที่ยังรองกายเนื้ออยู่ในโลกมนุษย์ก็ถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องรับทุกขเวทนาของกายเนื้อเข้าไว้เป็นของตนคือต้องพอจะรับความทรมานเจ็บปวดต่างๆนาน า, นาไปกับกายเนื้อด้วยอย่างแยกไม่ออกสาสำหรับเราชาวโลกทิพนั้นคำว่าการพักผ่อนมีความหมายยืดหยุนกว้างขวางมาก ดังนั้นบางครั้งเราอาจได้ไปเห็นใครคนหนึ่งในโลกทิพ์กำลังทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่อย่างเอาเป็นเอาตายแต่เมื่อไปถามเขาดูก็าอาจจะบอกว่าอันที่จริงเขากำลังพักผ่อนอยู่ก็ได้ 4. ความพิการของกายทิพนั้นเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงอดีตของเขาเองว่าเมื่อครั้งเป็นมนุษย์อยู่นั้น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 ได้เป็นเพราะสภาพของกายเนื้อหม่ห้าวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทิพย์มีชีวิตอย่างแน่นอนที่สุดและยังไม่มีข้อสงสัยว่าจะผิดพลาดเลยคือในโลกทิปไม่มีสิ่งที่เราสามารถจะกล่าวได้เลยว่าไม่มีชีวิตข้อที่หก โลกทิพย์มีอยู่มาก่อนโลกมนุษย์และกายทิพย์ก็มีอยู่มาก่อนกายมนุษย์แต่กายทิพย์ก็ไม่ได้มีลักษณะเหมือนกระบอกกลวงเพราะกายทิพย์มีอวัยวะภายใน